นิปติตาญาบุตตปริสายากาจิธรรมิกาธากถิยเตอิโตปรังยท้าวาทีตถาการีติอิมัตสัธรรมปริยายัตสัอัทโทซาธาญาสัมณเตหิสักกัจจัง ธรรมโมโซตัมโบตีณวันนี้วันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำ เ, เดือนสิบ คืนเก้าค่มเดือนสิบเอ็ดหลานวันนี้ก็เป็นวันที่บริษัทเ t ทหรือบริษัทโทรค ม, มนาคมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมวันที่จะลํำลึกหรือใกล้จะออกพรรษาได้ถวายผ้ากฐิน ให้สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมนำผ้ากรถินมาถวายเพื่อไปทอดวัดต่างๆ6วัดแล้วก็เป็นวัน <c oughs> ที่เราจะลํำลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระบาทสมเด็จ พ, พระสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพุนอเดตมหาราชบรมนาศบพิตรคือในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นวันใกล้ที่จะถึงวันสวรรคตของพระองค์คือวันที่สิบสามตุลาคมดังนั้นวันที่ในเดือนตุลาคมนี้มันมีความสำคัญอยู่วันที่หนึ่งตุลาคม ปีพศ2561อะไรเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28ตุลาคม ก็วันเป็นวัน้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็วันที่18ตุลาคมเป็นวันขายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็วันที่24ตุลาคม เป็นวันคลายวันพระราชสมพศของสมเด็จญาอีอะไรหลายๆอย่างในเดือนตุลาคมนี้เข้ามาประจวบกันเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเขาจะว่าอาถรรพ์ก็อาก็ว่าอาถรรพ์จากอาถรรพ์เมื่อเรามาทาให้เกิดพลังก็คือสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมันก็เป็นพลังอาถรรพ์ น, นั้นก็คือความความงงงวย หรือว่าคาถาอาคมอันใดที่ร่ายมนแล้วทำให้บุคคลนั้นหลงลืมสติคือมันเพ้อเจ้อหรือว่ามันเ ล, เลอเลอเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนคนที่มีพลังจิตสูงแล้วสะกดจิตอย่างลัทธิสปูตินสะกดจิต ทำไม่ดีไม่ได้แก่ราชาสำนักของพระเจ้าศาตที่ในรัเสเซียนั่นมันมีมาแล้วการสะกดจิตด้วยอำนาจสมาธิสมาธิมีสองฝ่ายมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิทำสมาธิไปแล้วเกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตเข้าถึงฌาน ใช้ชานเหล่านั้นมันก็จะเกิดบุญญาฤทธิ์คือฤทธิ์ด้วยบุญเมื่อเกิดบุญญาฤทธิ์แล้วเกิดลาบสักฤะมากมายคนล้นหลามแห่เห็นเข้าไปมันก็เกิดความคิดเปลี่ยนแปลงใครที่จะดึงกําลังคนเอาผู้คนให้มากๆอันนี้เขาเรียก ว, ว่ามันจะหลงไปก็ไปสู่สมาบัติแม้กระทั่งสําเร็จสมาบัติแล้ว ไปเกิดในผูมโลกหรืออรลูพมกลายเป็นกลายเป็นนิพพานเทียมจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าไม่ได้นิยมยกย่องแม้พระองค์ก็ได้ยานสามจุตูตปาตยาน บุบเบนิวาสานุสติญาณแล้วก็อาสวยายาัคยญาณพระองค์ก็ได้อย่างนี้แต่ก็เริ่มต้นให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงเพื่อความหลุดพ้นถ้าเข้าไปสู่อำนาจสมาธิสมาธินั้นเมื่อเรา ทำให้สงบมันก็จะดิ่งอยู่รักษาอยู่อย่างนั้นอวัยวะทั้งหมดในร่างกายนี้มันก็จะหยุดด้วยพลังกระแสหรือพลังงานธาตุน้ำธาตุธาตุลมกับธาตุไฟเข้าไปแล้วผัดเปลี่ยนอย่างเราไฟมาทำความเย็นอย่างนี้ มันก็ประทับได้าธาตุไฟมาอย่างเดียวก็กลายเป็นาธาตุหลุมเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังขารร่างกายก็อยู่ได้ดังนั้นผู้ที่นั่งสมาธิแล้วเข้านิโรธเข้าสมาบัติสมาบัติก็มีสองอย่างสมาบัติด้วยอำนาจฌานกับสมาบัติด้วย น, นิโรธสมาบัติดับ ด้วยนิโรธหรือว่ามีความรู้แจ้งขึ้นมาเกิดปัญญาเพื่อดับแล้วก็พัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญามันมีอยู่สองประการอย่างนีเ้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในการแสดงอิทธิฤทธิอิทธิปฏิหารดังนั้นเมื่อเราได้มาถึงวันนี้ เราได้รู้จักว่าเราจะทำกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทั้งเป็นมงคลทั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำมาอาถรร์ให้มาพัฒนาเป็นพลังมันก็จะเกิดความเป็นมงคลนั่นเองทีนี้การทอดกะถินการทอดกระถนกถินนั้นในภาวะของความเป็นคาราวาส เราจะได้อานิสงส์แห่งบุญแห่งทรัพย์สินสลิงคานหรืออันใดบรรดามีทั้งในโลกและใ น, ในโลกนี้และโลกหน้าไปในทางที่สันติสุขนั้นก็หนึ่งทำให้เรามีทรัพย์สองทำให้เราปราศจากโลกสามทำให้เรา ทาธุรกิจคล่องตัวสี่ทำให้เรามีปัญญาห้าทำให้เราหลุดพ้นเนี่ยนะมันห้าประการนี่เพราะขาราวาดาญาติโยมนี้จะทําความหลุดพ้นโดยเร็วพลันนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็มีขั้นตอนอยู่ สามารถที่จะพัฒนาตนเข้าถึงอริยบุบุคคลชั้นต้นแต่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันตามวาระหลวงปู่วิลิยังสอนเรื่องสมาธิท่านก็สอนคนทั่วไปให้เอาวิธีง่ายๆแล้วให้นั่งภาวนาให้ได้วันละห้านาที นั่งแล้วก็กาหนดลมหายใจเข้ากาหนดลมหายใจออกนับห้าสิบครั้งมันก็ได้ห้านาทีนั่งอยู่ที่ห้องพระของเราให้ได้ห้านาทีกลัวที่จะมันไม่ถึงก็นับเอาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับหนึ่งแต่ต้องหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเรามีสติตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูก กนับสิบครั้งก็ได้หนึ่งนาทีนับห้าสิบครั้งก็ได้ห้านาทีนับร้อยครั้งก็ได้สิบนาทีนี่เป็นการฝึกตัวเองให้ได้นั่งได้เป็นนาทีด้วยเป็นการพัฒนาความเพียรหรือวิริยะในอินทรีย์ทั้งห้าอินทรีย์ทั้งห้ามีสติเป็นตัวนำเรียกว่าสตินทรีย์ เมื่อมีสติเป็นตัวนำก็จะชักนำให้จิตสงบจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิมีองค์ประกอบเข้ามาก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็อปปนาสมาธิหรือปฐมฌานเข้าไปถึงขั้นนี้ย่อมไม่เหลือวิสัยทำได้ทุกคนคนที่มีความตั้งใจแล้วทำได้ ใครนั่งภาวนามีความยินมีความปิติยินดีหรือว่าจิตใจมันเบิกบานขึ้นมานั่นแหละคือเข้าถึงฌานแล้วเข้าถึงอุปาจาระสมาธิมันทีเข้าถึงฌานแล้วถ้าทําได้อย่างนี้บุญญาลิตเกิดกับใจพลังมันเกิดขึ้นมาแล้วขอให้เราได้อย่างนี้แหละได้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสั่งสมเรื่อยๆ เหมือนเราเอาตุ่มไปไว้กลางแจ้งฝนตกมาฝนตกลงมาน้ำทิละหยดละหยดละหยดเป็ดฝนตกลงมามันก็ย่อมเต็มตุ่มที่เราตั้งไว้กลางแจ้งได้ฉันใดการประพฤติปฏิบัติของเราทาสม่าเสมอมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ย่อมเต็มเมื่อเต็มแล้วมันก็จะเกิดบุญเกิดพลัง แล้วก็เกิดปัญญาปัญญาก็พัฒนาตนแล้วก็มองเห็นความทุกข์มองเห็นบุคคลที่มันดิ้นรนอยู่กับความโลภความโกรธความหลงมันเราตัวเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราคิดได้เพราะมีสติเพราะมีปัญญาเข้ามาควบคุมจากอํานาจสมาธิที่เราฝึกแล้วเข้ามาควบคุมตัวเรา ก็จะพัฒนาตัวเราเองนั้นให้รู้จักโอกายนี่ก็ไม่ใส่ของเราเนาะมันปวดมันเมื่อยแต่เราก็ต้องผูกพันมันอยู่เพราะเราอาศัยอยู่ตาบใดจิตยังไม่ออกจากกายอันนี้มันก็ยังถืออยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะจิตอาศัยอยู่ดังนั้นบุคคลบางคนนั่งภาวนาจนกระทั่งจิตมันนิ่งลงไปแล้วเหมือนไม่มีกาย นั่นก็แสดงว่าปล่อยกายแล้ววางกายจิตเข้าไปอยู่ในความลึกลงไปไม่เอาจิตกายไม่ผัวพันกับกายจึงเรียกว่ามันเป็นอปปนาสมาธินั่นมันสามาธิขั้นสูงขึ้นไปมันก็เหมือนไม่มีกายนะเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนเหมือนว่างอยู่นั่นแนะ่ะทีนี้ถ้าหากจะให้เกิดปัญญาก็คิด เมื่อคิดอยู่ในภาวะที่มันนิ่งอย่างนั้นมันคิดไม่ออกต้องถอนออกมานิดหนึ่งแล้วก็จะคิดพุ่งขึ้นไปสู่ปัญญาดังนั้นหลวงปู่มั่นจึงสอนสิทธิญาณุสิต ท, ท่านให้ฝึกภาวนาปฏิบัติธรรมให้ได้อำนาจของสมาธินี่แล้วไม่ต้องเดินชาญไม่ต้องไปเดินเรียกว่า ทำกระสินหรือทำอะไรให้เกิดฌานให้เกิดพลังต่างๆให้เกิดที่ว่าหูทิบตาทิพอะไรอันนั้นมันจะทำให้หลงมันจะไว้เพ้อเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หลงตัวตนว่าได้ว่าเราวิเศษที่จริงมันเป็นพิเศษมันเป็นคนแตกต่างจากคนธรรมดาไม่ไปถึงปัญญา ท่านหนึ่งสอนให้พี่มาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงก็พิจารณาไปก็มาพิจารณาธาตุขันของเรานี่แหละมันทุกคนมาเจ็บปวดปวดแข้งปวดขาโดยเฉพาะหัวเข่าเพราะเราไม่ได้ใช้งานเรามาสะดวกสบายอยู่ในภาวะที่สบายด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆตามเข้ามาจึงทำให้เราไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกให้พิจารณา มันไม่ใช่ของเรามันเจ็บใครได้ป่วยมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเยียวยารักษาแล้วก็วางทมใจได้เพราะว่าเราจะให้มันหายขาดไม่ได้มันฟื้นไม่มีหรอกมันไปแล้ว ม, มันฟื้นไม่มีมีแต่ทรงกับสุดดังนั้นมีสุสีคำที่กล่าวในงานศพเสมอว่าไปไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคนก็บอกว่าโอ้ ค, คือคนตายแต่ที่จริงเราไปไม่กลับคือการเวลามันหวนกลับมาให้เราไหมเราทำอะไรทำกรรมอะราะไรได้ดีมีสุขหรือโกรธพึ่งใครหรือว่าได้รับทรมานทุรกรรมได้รับโทษอย่างใดอย่างใดมันก็จบกันไปแล้วผ่านไปแล้ว มันมีเวรมีกรรมอะไรก็ผ่านไปหมดแล้วไม่ ห, ว, หวนกลับมาหาเราอีกให้เราตั้งในปัจจุบันนี้เรียกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นในความหลงหลงละเลงว่าเรามีทรัพย์สินสริงการหลงละเลงว่าเรามีกำลังวังชาหลงละเลงว่าเรามีสุขภาพปนามายัยแข็งแรงแล้วประมาทนี่เขาเรียกว่าหลับไม่ตื่นไม่ทาบุญทาทานชีวิตนี่น้อยนิด นี่ผ่านไปแล้วบางอาตมานี่ก็ผ่านไปแล้วแปดสิบสี่ปีหมดอายุไขแล้วอยู่พระบุญเหล่านั้นทีเนี้ยจะไปได้อีกกี่ปีนะครับก็นับแล้วทีนะนับถึงความตายแล้วก็นับสั่งสมบุญแล้วก็ระลึกถึงบุญอธิษฐานตั้งจิตปฎิฐาทนาทาบุญทําทานก็เกิดได้เป็นพลังแห่งบุญหรือเกิดบุญยาลิศเกิดขึ้นกับตัวเราอายุไขหมดไปแล้ว เนี่ยเป็นลักษณะ น, นี้เขาเรียกว่าไปไม่กลับหลับหลับไม่ตื่นทีนะี้ฟื้นไม่มีก็สังขารร่างกายของเรานี่แหละมันไม่คืนกลับมาดีหรอกมีแต่ทรงกับซุดปวดหัวเข่าหรือไปผ่าไปทำโน้นได้มันดีขึ้นก็ได้แค่ทรงแกแค่ไม่ปวดแล้วก็เป็นอีกก็เพราะมันเสื่อมโทรมไปแล้วบางคนแล้วก็ไปทําอะไรมันมากเกินไปเอาตามองไม่เห็นก็ไปลอกตาแล้วดีก็ดีชั่วประเดี๋ยวประดาไม่นานก็เป็นอีก มันเป็นลักษณะของมันอย่างนี้แต่ก็บางทีก็จำเป็นต้องทำไว้เท่านั้นเองหนีไม่พ้นคือกรรมกรรมที่เราได้กระทำมันเนี่ยยุติธรรมที่สุดกฎหมายบ้านเมืองยังมีการพิกแพงแต่กรรมนั้นยุติธรรมที่สุดเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นเข้าใจในเรื่องการทาบุญ ทั่วบําเพ็ญบุญทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วทําบุญด้วยปัญญาชนทั่วล่าสาธุการทําบุญด้วยหลักกา ร, กรเกษมสารตลอดไปทําบุญด้วยกายใจเมธีไทยสะดุดดีทําบุญถูกวิธีย่อมเป็มปรีไม่สัางสาร ทำบุญเอาหน้าตาย่อมโศกาฟ้ามืดมนทำบุญแข่งกับคนต้องย่อมอับจนคนนินทาทำบุญชั่วชีวาย่อมเจิดจ้าชั่วฟ้าดินเนี่ยท่านได้กล่าวไวนะ้ในเรื่องการทำบุญทำบุญด้วยปัญญาชาชนทั้งลากสาธุการ ทำบุญก็ต้องมีหลักการการทาบุญต้องเลือกต้องเลือกเส้นการทาบุญต่างๆแล้วก็ทาบุญด้วยกายใจก็มันก็จะเกิดผลแก่เราทาบุญถูกวิธีเพราะนั้นทาบุญเอาหน้าตาเนี่ยบางคนมันก็ต้องให้มีชื่อมีเสียงมีอะไรปรากฏแต่บางคราวมันก็ทำไว้ เพืให้ลูกให้หลานเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไปยึดติดนี่คือการทำบุญเท่านี้ภาวะภาวะของคนดีหรือจะเป็นผู้นำก็ได้มีวินยัยใส่ใจหน้าที่มีความรับผิดชอบประกอบสิ่งที่ดีพักดีเบื้องบนดินรน ต่อสู้รู้วิชารักษาเกียรติคุณทำบุญด้วยใจรักใคร่สังคมนิยมสร้างสรรค์แบ่งปันสิ่งที่ดีนี่เป็นภาวะของคนดีทุกคนก็มีวินัย ถ้าเรามีวินัยแล้วก็เข้าสู่สารระบบใส่ใจในหน้าที่ได้รับหน้าที่ไหนก็ทําแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยประกอบไปด้ความดีสั่งสมในความดีนะทักดีเบื้องบนคําว่าเบื้องบนนี้ก็มีอะไรพระพุทธศาสนาก็อยู่เบื้องบนสถาบันกษัตริย์ก็เป็นพิปกปักรักษาประเทศชาติของเรา เราถือประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์บางก็พระมหากษัตริย์ได้รับรั บ, ร, บ, ร, บรับรู้ด้วยจากคณะรัฐบาลเดี๋ยวนี้มาปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันมันมีอะไรอันนั้นมากหน่อยเพราะนั้นเราต้องเข้าสู่ระบบการเวลาพัฒนามันก็จะพัฒนาคน อำนาจของพระพุทธศาสนาอานุภาพของพระพุทธธรรมประสงค์อนุภาพแห่งบุญและอนุภาพของเทวราที่รับส่วนบุญส่วนกุศลก็จะเกื้อกูลพวกเราทั้งหลายให้เข้ามาสู่ความเป็นความมีความสามัคคีดังบรรพบุรุษเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนเราจะทำดีจะทำไดก็เราต้องมีเราต้องมี วินัยของเราอย่างนี้นะทีนี้ที่ว่าทําบุญด้วยด้วยเรา <c oughs> มีความรู้แล้วก็รักษาคุณธรรมแล้วก็ทํากรรมรักษาเกียรติคุณทาบุญด้วยใจนั่นแหละเราทําบุญด้วยใจเนี่ยก็มันกระเบิกบานทีนี้รักให้สังคม ถ้าคนหนีสังคมคนเป็นส่วนเกินของสังคมเป็นคนที่สังคมไม่พึงปรานามันก็แย่เป็นยอดแย่ไปเราจะต้องรักใคร่สังคมหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านก็มีก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลหมู่บ้านต่างๆก็มีรอปภมีสังคม เย่วรักไค่สังคมถ้าคนเราถ้านิยมสร้างสรรสร้างแต่แท้จริงที่ดีมีประโยชน์สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างสรรให้เกิดประโยชน์อย่างชมลมพุทธุทศาสตร์ของทีโอออทหรือเ t ทของเรานี้เราก็สร้างสรรของที่ดีด สร้างสรรเราเรานิยมสร้างสรรเราแบ่งปันสิ่งดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นคือสิ่งของที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดคุณธรรมอันเป็นประโยชน์แล้วก็แบ่งปันบอกกล่าวแนะนําซึ่งกันและกันอันนี้ล่ะเป็นภาวะของคนที่อยู่ในสังคมนี้หลวงปู่ เจ้าคุณุบาลีคุณูปม า, าจาย์กล่าวอยู่เสมอว่าเพราะท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงปูเ่เสาท่านค้นคว้าในพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นน้อมรับเอาวิปันสนาทุละกกรรมฐานจากสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเหล่านี้ สืบทอดมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้กาในรัชกาลที่สี่ที่ฟื้นฟูพระไตรปิฎกจนกระทั่งถูกแบบแเพนตามตำรับตำรานำมาพัฒนาแล้วก็เกิดบุคคลผู้เป็นอริยชนเกิดขึ้นมาให้ดังได้ได้เห็นเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ท่านก็ค้นคว้าในสิ่งเหล่านี้ออกทุดงไปบ้างกลับมาและในจำบรรษาที่ิวัดรบรมนิวาสแล้วต่อเทนั้นก็ได้สอนสั่งหลวงปู่เสาคู่กันกับสมเด็จพระมหาวีรวงอ้วนฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปาาอรัญญาวาสี หลวงปู่เสาก็ได้หลวงปู่มั่นมาเป็นลูกศิษย์นำมารับธรรมจากหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จึงเกิดเทตเบ่งบานในทางสายปฏิบัติสายป่าโดยบริกรรมพุทธพร้อมกับลมหายใจเข้าโถพร้อมกับลมหายใจออกก็แสดงว่าเจริญอาณาปานุสติพร้อมกับระลึกถึง พุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุพโทพโธไปว่าผู้เบิกบานทำอยู่อย่างนี้เท่านั้นก็สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาขึ้นกับดวงจิตพิชิตกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านั้นจนกลายเป็นอริยชนมากมายดังที่เราได้เห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ขั้นต่อมาลูกสิทธิ์หลานสิทธิ์เลนสิทธิ์ทั้งหลายก็ได้รับอนิสง์ในการที่หลวงปู่บุพบรพาจารย์ได้ประกอบได้กระทำไว้ถือแนวประพฤติธปฏิบัติตามก็จึงเจริญรุ่งเรืองมีธรรมะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยทเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาธรรมะต่างๆก็มีอยู่ในทั่วทุกหนทุกแห่ง เพียงแต่ว่าเราเราเปิดรับเข้าไปก็จะมีเห็นได้หมดพระไตรปิฎกทั้งนั้นก็อยู่ในมือถือนี่ธรรมคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์มากมายกี่รูปกี่รูปที่ทันละไปแล้วก็อยู่ในมือถือทั้งนั้นเราควานเข้าไปไปหามันก็อยู่ในที่นี่เพราะว่ายุคนี้จึงยุคว่าชาวสีวิไลประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าหากเรารู้จักพอเหมาะพอเจาะแก่สังขารร่างกายของเราแล้วก็จะทำอะไรได้อย่างดีที่สุดดังนั้นหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมา จ, จารย์จะกล่าวเสมอว่าศีลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราไม่ทำผิดเราไม่ทำผิดก็มีศีน ก็ดันเราสมาทานศีลด้วยเจเจตนาวิรัตริศีลก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานศีลต่อหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นสักขีพยานรับว่าเราเป็นผู้สมาทานศีลเป็งวาจาต่อหน้าชุมชนเท่านั้นแต่ เ, เจตนาวิรัตริศีลนี้เราอยู่หน้าห้องพระของเราดูธรรมที่ใดก็ได้นั่งไปบนรถ ก็ที่ฐานจิตในใจของเราเป็นเจตนาวิลัตษ์ว่าเราจะก็สมาทานไปด้วยความนึกคิดของเราจะสมาทานศีลห้าศีลแปดถ้าเป็นคารวาดนี้เราสมาทานได้ศีลแปดศีลแปดไม่มีกำหนดก็คือศีลแปดธรรมดาศีลแปดมีกำหนดเรียกว่าอุโบสถศีลชัว่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอันนี้จำกัด เราเจตนาวิรัตจะไปไหนมาไหนก็ว่าได้ก็ทำให้เราเป็นผู้มีศีล น, นะเราทำถูกมาเราไม่ทำผิดสมาธิมีอยู่ตลอดเวลาถ้าใจไม่กังวลเพราะนั้นเมื่อเราใจเราไม่กังวลเราก็มากาหนดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวสักพักหนึ่งมันเกิดความสบายเพราะว่าอากาศเข้าไปในปอดได้เต็มที่ออกซิเจนก็เข้าไป คายคาบนไดออกไซออกมาจิตมันก็สบายไม่กังวลแล้ว ก, ก็ดิ่งลงไปสู่ความเป็นสมาธิแล้วก็สติมันก็ตามมาปัญญามีอยู่ตลอดเวลาถ้าทำทาความเข้าใจได้ทำความเข้าใจให้ถูกเข้าใจในธรรมะเข้าใจในภาวะมันอยู่กับตัวเราทั้งนั้น วิมุตต์มีอยู่ทุกเวลาถ้าไม่ผัวพันกับสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นววละสุดท้ายบุคคลที่จะเข้าไปสู่วิมุตต์ก็ต้องละไม่ผัวพันไม่คิดถึงไม่อะไรอาวรณ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอาใสเท่านั้นบ้านช่องห้องหัวห้องหอเลือกสวนไล่นาสมบัติพัสดสถานสมบัติก็ผัดกันชมนุสมบัติบางคราวก็เป็นวิบัติ ทำมาค้าขึ้นไปสักพักสักพักเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ค่อยได้กำไรเพราะว่ามันซุดลงมามันเป็นการของมันมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้มันไม่อยู่ในอํานาจเรียกว่าอนัตตาเมื่อเรามีธรรมะเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าทําไปแล้วมันยังไม่ซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราในความนึกคิดของเราก็มาภาวนา กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอยู่อย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวต้นที่จะพัฒนาสติแล้วพัฒนาสมาธิแล้วก็จะไปพัฒนาปัญญาเมื่อสมเมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นศรัทธาวิริยะก็ตามสนับสนุนทมกิจกรรมอ น, นันกลกายเป็นอินทรีย์เกิดขึ้นบ่มเพาะอยู่ไปเรื่อยๆอินทรีย์ก็แก่กล้า ก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเข้าถึงธรรมรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายมิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่มีในตนก็แสดงว่าบุคคล น, นั้นเข้าสู่กระแสะแห่งอริยมรรคในชั้นต้นเมื่อเราพิจารณาตัวเราเองไปมันก็จะรู้แจ้งเป็นปัจจตังรู้ขึ้นเฉพาะตัวของเราเองนั่นแหละอันนี้แหละการฟังธรรมะ ของครูบาอาจารย์ท่านบางทีท่านเทศนเป็นไปนานมากม า, กายไายกองเราก็จับไม่ได้เทศเอาแต่ใจความให้เข้าใจแล้วถือไปประพฤติปฏิบัติอ่านหนังสือดูหนังสือก็เหมือนกันเป็นข้อเป็นข้อแต่เฉพาะที่จะทําให้ความเข้าใจเท่านั้นถ้าอ่านไปมากเมันก็เออเลิบไปหมดเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นในวันนี้บริษัทเอ็นที ดูือบริษัทโทรค ม, มนาคมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนได้จัด ก, กิจกรรมในวันนี้ก็ระลึกถึงหนึ่งระลึกถึงการที่จะได้ทอดกะถินออกพรรษาแล้วก็จะทอดกะถินแล้วก็อันที่สองวันที่สิบสามเป็นวันค้ายวันสวรรคองพรบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า เอาว่าอย่างนีเนี่ยเพราะพระ อ, องค์ของราชมานานเจ็ดสิบปีคนเกิดก่อนนั้นก็เท่ากับอยู่ในยุทธจักรของพระ อ, องค์แม้พระบาทสมเด็จพระ บ, บชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพระ อ, องค์ก็ซึมสัตว์กับกพระบิดามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบพระ อ, องค์ทำมาตั้งแต่เป็น พระบรมโอรสาธิราชมาแล้วมาตอนนี้ก็ปิดทองหลังพระเป็นส่วนใหญ่เกิดภัยพิบัติก็ไปเองพราะงร์ก็ขับเครื่องบินอะไรตัวอะไรก็เก่งแม้กับพระราชินีคู่หัทไทยนะั้นก็เก่งขับรถยนต์เองขับเครื่องบินได้อะไรทำนองนี้ก็เป็นคู่บารามีเกิดขึ้นมาใน ยุทธจักรในประเทศชาติที่กำลังเจริญด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยทั้งโลกนี้จนมันเกิดความปั่นป่วนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการเหล่านี้มันก็เป็นไปตามกาลสมัยแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แม้เรามารู้อย่างนี้ก็ตั้งใจเร่งทำบุญ ละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วตามธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์แล้วเราก็จะเข้าถึงความสุขพ้นจากความทุกข์ดังนั้นในที่สุดแห่งการแสดงธรรมจึงขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธรธรรมและภระิยะสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนที่มาพร้อมกันที่นี้ ผู้มีจิตศรัทธาถวายใจจีวรเป็นกองกระถินถวายจจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ให้ดำลงอยู่ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเจ้าพระสงฆ์ร่วมกันทำบุญทำทานสร้างสามัคคีทำให้เกิดขึ้นทุกคนขอให้ทุกคนนั้นจงเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงาน ทั้งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้ยอย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อน ร่ำรวยด้วยเงินและทองพองใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ก็ขอให้มีสุขภาพพลันนลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปและในที่สุดกอให้ทุกท่านจงได้ปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาละเนี